จิตใจเราเอเียงไปข้างไหนเราก็รู้เนี่ยดังนั้นท่านจึงว่าสันธิติโกผู้ลูกจะพึงเห็นเองอากาลนีโกเป็นภาษาบาลีไม่ประกอบการเล่เวลาเอฮิปติโกควรเรียกให้มาดูมาดูที่ใจเรานั่นเองไม่ใช่มาดูแค่งดูขาไม่ใช่มาดูทำเสื้อซาดถูบ้านถูเรืออย่างนั้นก็ดีแต่ท่านสอนเนย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 คำว่าทางไี่ใช่ทางนี่หมายถึงว่ามันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แค่มันเป็นทางทำดีเท่านั้นเองเมื่อเรายังไม่ชัดเจนลงไปรับประกันว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติลงไปแล้วมั่นใจว่านี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรู้อย่างนี้แหละเราก็มั่นใจว่านี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าเรา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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่้นจึงไม่จำกัดไม่กำหนดเพื่อราศาสนาสั้นวันณะ ก, กักคุมันมีเหมือนกันเรื่องจิตใจของคุณแต่ในขณะเรานั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้ลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันมีจิตใจสบายสบายหรือจิตใจว่างๆลักษณะนี้ท่านก็นเรียกเป็นปกติถ้าผิดจากนี้ไปแล้วเป็นยังไง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 ญาติโยมก็เหมือนกันภาคสงองเจ้าก็เช่นเดียวกันอาตมาจะรู้ดีเหนือตัวเองของท่านไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวเองของท่านดีกว่าทุกคนไปดังนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องละมัดระวังถ้าหากไม่ละมัดระวังแล้วเราจะอาจจเอียงไปซ้ายก็ได้เอียงไปขวาก็ได้เราจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเลย